ลานใหญ่หัวเราออกมานิดหนึ่งดูแก่ข้อ่อหนทางในถ้านี้เหลือเกินนะไม่มีคําตอบใดๆจากแง่สายหนทางเป็นไปอย่างที่แง่สายได้บอกไว้พอพ้นจากทางเดินเรียเพลวด้านขวาก็ผ่านที่ราบกว้างเดินสะดวกขึ้นตอนหนึ่งระยะสั้นๆและต่อจากนั้นทุกคนก็ต้องคืบไต่กันไปอย่างใจหายไม่ทั่วท้องอีกครั้งหนทางเหมือนสะพานหินกว้างประมาณ3เมตรทอดคดเคี้ยวไปในระหว่างปากเหวทั้งสองด้าน บนเพดานเต็มไปด้วยหินย้อยที่ยื่นลงมาแแ่พราวตาเป็นหมดเมื่อแสงไฟส่องไปกระทบจากความปลอดเปลี่ยวสงบเงียบไม่มีวิแววของสัตว์มีชีวิตใดๆให้พบเห็นโดยตลอดระยะทางที่ผ่านมานั้นบัดนี้ทุกคนเริ่มสัมผัสกับเสียงบินพื่อภาพของค้างคาวและลมปีกตลอดจนกลิ่นสาบสารของมันที่ธราโฉบเฉี่ยวเข้ามาใกล้พร้อมกับส่งเสียงร้องแสด็ดอีกชั่วโมงเต็ม ที่งมกันไปชนิดระวังตัวแจครั้นแล้วก็ผ่านพ้นหนทางอันเต็มไปด้วยอันตรายมิ่นเมนั้นเข้าสู่พื้นอันกรุขระธรรมดาอันพอเกิดการที่จะเคลื่อนไหวด้วยความสะดวกใจขึ้นณที่นั้นต่างเริ่มสัมผัสกับอากาศที่พัดโชยสวนเข้ามาปะทะอย่างเบาบางเป็นกลิ่นไอของอากาศบริสุทธิ์ไม่อับทึบข้นหนักเหมือนที่ผ่านมาแล้วหนทางเริ่มกว้างขวางและแยกแยะออกไปเป็นหลืบคูหาคล้ายเขาวงกฏอีก ไม่นานนักก็มองเห็นแสงสว่างรางๆปรากฏอยู่ที่ช่องทางข้างหน้ายิ่งใกล้เข้ามาแสงสว่างนั้นก็ปรากฏชัดขึ้นทุกขณะมันตรงตามที่เราพินคาดคะเนไว้ไม่มีผิดนั่นก็คือหนทางเดินในอุโมงใต้ภูเขาไม่ได้มุดไปใต้ภูเขาตลอดหากแต่ะรุ บ, บันจบกับก้นเหวบางตอนที่มีปากอยู่บนส่วนใดส่วนหนึ่งของขุนเขาใหญ่เบื้องบนพอที่แสงสว่างในเวลากลางวันส่องรอดลงมาได้ และนั่นคือช่องทางระบายของอากาศไปในตัวทุกคนโผล่ออกมาพบกับแสงสว่างอีกครั้งพร้อมกับสูดหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไว้เต็มปอดตำแหน่งที่โผล่ออกมานั้นเป็นบริเวณหนึ่งของก้นเหวอันไม่สู้จะ ก, กว้างใหญ่นักมองเห็นสูงชันคอตั้งบ่าขึ้นไปเบื้องบนซึ่งเขียวขึ้นไปด้วยพุ่มไม้และเถาวัลย์ซึ่งขึ้นปกคลุมอยู่ตามผนังบางส่วนไอ้ที่เรายืนกันอยู่นี่มันก็ก้นเหวแล้วชัยยันว่า แง้นมองขึ้นไปเบื้องบนแต่ในก้นเหวก็ยังอุตส่ามีเหวซ้อนลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งอย่างที่เราผ่านกันมาแล้วอยากรู้เหลือเกินว่านี่ถ้าเราสามารถไต่เหวขึ้นไปข้างบนได้มันจะเป็นส่วนไหนของเขานางผมก็งงอยู่เหมือนกันครับพรานใหญ่ตอบมาเบาๆแง้นมองตามหลี่ตาคิดแต่ยากจะเดา ว, ว่ามันควรจะเป็นสันเขาตอนใดตอนหนึ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของเทือกเขานาง มันเป็นปล่องเหวที่ลึกแล้วก็ชันหนือเกินนอกจากสัตว์มีปีกแล้วเห็นจะไม่มีสัตว์ชนิดใดขึ้นลงได้เป็นอันขาดเราเองก็ไม่มีทางปีนเส้นทางที่เราเดินกันมามันเป็นถ้ำใต้ภูเขาแท้ๆถึงได้มีก้นเหวบนยอดเขาลึกลงมาชนบรรจกเช่นนี้ผมสงสัยแต่แรกแล้วถ้าไอ้แหว่งใช้ถ้ำนี้เป็นทางเดินมันก็ต้องมีอากาศพอที่จะหายใจได้ถ้าไม่มีปล่องถ่ายเทายอากาศเสียโดยทีเดียว สัตว์มันก็อาศัยเป็นทางเดินเข้าออกไม่ได้เพราะไม่ใช่ระยะทางสั้นๆถ้างั้ น, น, นหนทางเดินในถ้ำนี่ก็ต้องบรรจบกับก้นเหวอีกหลายแห่งทีเดียวคงไม่ใช่ที่นี่แห่งเดียวหรอกดาลินเ อ, อ่ยมาบ้างควรจะต้องเป็นเช่นนั้นแหละครับแล้วเขาก็หันไปทางแง่ทายมองจ้องด้วยตาคมกริบทว่าหนุ่มชาวดงผู้ลึกลับไม่ยอมมองสบตาด้วยแต่เขาก็ไม่เ อ, อ่ยถามคําใดทั้งสิ้นมันจริงดังว่าทุกอย่าง ทะลุเข้าไปในโพรงถ้ำใต้ก้นเหวซึ่งก็เป็นหนทางในระดับเดียวกับที่เดินกันมาแล้วต่างก็พบกับก้นเหวในลักษณะเดียวกันกับที่พบอีกสองสามแห่งและบางแห่งกว้างแต่ลึกชันและสูงเลีวขึ้นไปชนิดที่หมดหนทางที่จะใช้ความพยายามไต่ขึ้นไปถึงปา่าเขบนยอดเขาได้หากว่ามีความจำเป็นขึ้นมาทุกครั้งที่โผล่ออกมาบรรจบกับก้นเหวก็พบกับพุ่มไม้พงถาวันและใบไม้แหง้งที่หล่นลงมาทับถม ลักษณะเหมือนบนพื้นดินตามป่านอกสักครั้งพอบุกเข้าซอกทำต่อไปก็พบกับหินดานอีกสลับกันอยู่เช่นนั้นเว้นไว้แต่ว่าไม่ชื้นแฉะเหมือนบริเวณที่ใกล้ปากทางน้ำตกที่ผ่านเข้ามาในตอนต้นรอยเท้าช้างสังเกตเห็นได้ชัดอีกครั้งมันผ่านหนทางที่แง่ทรายนําไปอย่างไม่มีอะไรจะต้องเครือบแคลงหน้าพิศวงอยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือรอยเลือดของไอแหวงอันตรธานหายไปอย่างเด็ดขาดเสียแล้ว ทั้งๆ ท, ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ในที่สุดเป็นเวลาร่วมสองชั่วโมงเต็มๆที่ต่างก็งมกันมาในอุโมงใต้ภูเขาทั้งรูกแง่าสายก็นำทารุออกอยังปากท่ามอีกด้านหนึ่งทางฟ้าตรงข้ามกับที่เข้ามาไม่มีปัญหามันคือปากทางที่ทะรุออกหุบหมาหอนตำแหน่งปากท่ามที่โผล่ออกมานั้นเป็นบริเวณปากทึบตีเนินเขาต่อหนึ่งสูงกว่าระดับป่าเบื้องร่างประมาณ30เมตร มีทางด่านแคบๆซ่อนเร้นวกเวียนขึ้นมาจากป่าล่างซึ่งถ้าอยู่เบื้องล่างแล้วจะไม่มีสายตาใดฉเฉลียวคิดได้เลยว่าตำแหน่งนี้มีปากถ้ำซ่อนอยู่เพราะหมู่ไม้ที่ขึ้นปิดบังไว้อย่างมิชิดมันถูกอัมพรางลึกครับไม่ผิดอะไรกับปากทางด้านตรงข้ามที่มีกระแสน้ําตกเป็นม่านบังอยู่ขณะนั้นเป็นเวลา9ก้านกาเศษแดดในยามสายกําลังสว่างใสายสองลงมาผ่านใบไม้ลงมาอากาศกําลังอบอุ่น พอพ้นหากถ้ำออกมาได้ทุกคนก็ลงนั่งพักและแกะเชือกที่ผูกติดเอวกันไว้เป็นพวงออกแล้วหินสอดสายสายตาสำรวจไปรอบด้านอย่างพิเคราะห์เพียงครู่เดียวเขาก็สามารถจะบอกได้ในทันทีว่ามันเป็นบริเวณส่วนใดของขาวนางด้านที่ติดกับหุบหมาหอนเห็นยอดเขาวทางซ้ายมือสูงลิฟที่มีแต่ก้อนหินเป็นกำแพงชันนอ้นไหมครับเขาชี้ให้ชายยันดูพางพูดแผ่วต่ํา อดีตนายทหารปืนใหญ่แง้มมองตามแล้วพยักหน้าแต่ยังไม่เข้าใจความหมายพรานใหญ่หัวเราะแค่นในลำคอมองไปทางแง่ายแล้วก็บอกต่อมาว่าเมื่อเราติดตามขบวนเกวียนของเราซึ่งตั้งรอยอยู่ที่ป่าไว้เราตายกันไปบนสันเขาวน่าแหละครับหวังว่าคุณชายยานคงรจะจำได้ดีว่าเราต้องเสี่ยงตายนะ้ผาสูงลินั้นกันไปด้วยความลาบากยากเย็นสักขนาดไหนไหนจะเสี่ยงต่อชีวิตไหนจะเปลืองเวลา ท, ทั้งที่ทางลัดและสะดวกกว่ามันก็อยู่ใต้ภูเขาอันเป็นเส้นทางที่เราโผ่ ก, กันออกมานี่แหละวันนั้นเจ้าแย่ทายก็ตายเขากับเปล่าด้วยโดยเย็บปาของมันเสียอย่างสนิทไม่ยอมบอกว่าด่านรับที่เชื่อมอยู่ระหว่างหุบหมาหอ น, ก, นอกับป่านอกอยู่ตรงนี้ถ้ามันบ่อเสียตะวันนั้นเราก็อาศัยเส้นทางใต้ภูเขานี่ตัดออกป่านอกได้อย่างสบายไปแล้วมิหนำซ้ำําเรายังสามารถที่จะตามไอ้แหว่งได้ทันการไม่ปล่อยให้ร่าช้ามาจนถึงเดี๋ยวนี้ ชายยันหันไปมองทางแง่ทรายผู้บบดนี้กำลับบงเดินก้มสำรวจรอยช้างห่างออกไปพลางยักษ์ไหลหัวเราออกมาจิดจืดจริงของคุณไอ้หมอนี่มันมีอะไรลึกลับยังไงพี่กรอย่าว่าแต่คุณเลยผมเองก็อดฉีวมันไม่ได้เหมือนกันในเรื่องนี้หมอเป็นคนพิลึกพิลึกอยู่บางทีหมออาจถือคำสั่งปฏิบัติแบบเถนตรงก็ได้นั่นก็คือคุณเป็นผู้นาคณะส่วนหมอถือว่าเป็นเพียงผู้ตาม และถือว่าตนเองเป็นเพียงแค่คนใช้ไม่ต้องการอวดชาดหรือสู่รู้เพื่อหักหน้าคุณถึงอย่างไรก็ตามผมอยากขอร้องให้คุณลืมเสถอะอย่าไปคิดอะไรอยู่อีกเลยแม้จะมีอะไรแปลกๆน่าโมโหหมอก็พิสูจน์ชัดได้ ว, ว่าเป็นประโยชน์แก่คณะของเราอย่างยิ่งลักษณะของหมอถ่อมตนแล้วก็ซ่อนคมอย่างร้กาศซึ่งก็ดีกว่าการคุยโวโอ้อวดครับมันเป็นลักษณะที่ดีประจาตัวของหมอเอง คุณชายยันคิดบ้างไหมว่าไอ้คนลักษณะชนิดนี้แหละถ้ามันซื่อสัตย์กับเราตลอดไปเราได้คนที่มีสมรรถภาพเยี่ยมควรเกิดการนอนตาหลับได้ทีเดียวแต่ลงถ้ามันคิดทรยศหักหลังเราขึ้นมาเมื่อไหร่กว่าเราจะตามมันทันเราก็คงเสียท่าชายยันอึ้งไปครู่ในที่สุดก็ยิ้มออกมากว้างๆตบไหล่พรานใหญ่ก็น่าคิดอย่างที่คุณพูดเหมือนกันแต่เราหวังในทางดีไว้ก่อนก็แล้วกันเดชพิน ผมเชื่อว่าแง่ทายไม่มีวันที่จะพ้นสายตาหรือความรอบรู้ของคุณไปได้หรอกคุณตามทันหมออยู่ทุกขณะแล้วดาลินสังเกตเห็นสองชายซุบซิบอะไรกันอยู่ก็เดินตรงเข้ามาด้วยความสงสัยแต่รับผินกับชายยานเปลี่ยนเรื่องพูดกบเกลือนเสียหล่อนจึงไม่ทราบว่าทั้งสองพูดอะไรกันพักการเพียงชั่วหายใจได้คล่องขึ้นผานใหญ่ก็โบกมือเป็นสัญญาณกับแง่สายผู้ร่วงหน้าไปรออยู่ก่อนแล้วย่งปลายหนทางที่ลาดลงต่ํานั้นให้ออกเดินนําต่อ ตนเองสืบท้าวตามหลังไปทิ้งระยะห่างพอสมควรอ่านรอยไปทุกระยะอย่างรอบครอบระมัดระวังไร้เฟื่อนของทุกคนที่สภายอยู่กับไรในขณะที่เดินอยู่ในถ้าบัตรนี้ถูกปลดลงมาถือไว้ในมือพร้อมดาดินเดินเคียงไหลเลียงสองคู่ไปกับชัยยันทอดระยะห่างจากหลังของรอพินประมาณเจ็ติดตามด้วยพานพื้นเมืองทั้ง3ซึ่งกงก้มเงยเงยสำรวจร่องรอยเหล่านั้นมาอย่างสงบโดยไม่มีใครปิกปากพูดคําใด ที่ตีนเนินก่อนจะลงสู่ป่าธรมอันเปรียบเสมือนเชิงบันไดของทานดาที่นําขึ้นสู่ปากถ้านั่นเองทุกคนเห็นแง่ทรายหยุดรีรอแงสํารวจไปที่ซุ้มเถาวันทึบริมทางตอนหนึ่งแล้วผินก็เคลื่อนกลิบเข้าไปคนคู่นั้นไม่ได้พูดจาคําใดกันนอกจากจะใช้สายตากวาดหาอย่างระแวงภายไปรอบๆแล้วก็เงยขึ้นไปจ้องอย่างผู้ไม้ตอนนั้นอีกชายยันกับดาดินจรดฝีเท้าก็าไปถึงเป็นเวลาเดียวกับที่แง่ทรายและรพิน พากันสุดตัวลงนั่งยองๆกับพื้นสิ่งที่นายจ้างทั้งสองเห็นโดยไม่จําเป็นต้องมีการซักถามหรือคําอธิบายใดๆเลยก็คือเถาเครือตรงพุ่มไม้ใหญ่นั้นมีรอยหักทึงลงมากินยอดไม้บางส่วนยังโดนเกลื่อนอยู่กับพื้นเป็นรอยใหม่สดเหลือเกินสังเกตได้จากอย่างเพียงแค่พรานใหญ่ยกนิ้วขึ้นแตะริมฝีปากทั้งสองก็สามารถเข้าใจเหตุการณ์ได้ทันทีอันเนื่องมาจากความเคยชินนักมนุษย์วิทยาสาวมือสั่นน้อยๆอีกครั้ง ในตาลุกวาวชา ย, ยันถูมือทั้งสองกับขางเก่งให้แห้งสนิทจากเหงื่อที่ออกซึมแล้วปดเซฟจุด 6.0 นในโตคู่มือป่ารอบด้านเงียบกิบไม่ได้ยินแม้แต่เสียงนกหรือจักาจาั่นสักตัวเดียวลมยามนั้นสงบนิ่งอยู่กับที่ไม่อาจสำรวจทิศทางได้แน่นอนแง่าสายยกมือขึ้นป้องหูแล้วทอดกายลงกับพังภาพกับพื้นดินเอาหูแนบพื้นนิ่งไปนานในขณะที่รัพินค่อยๆกอบฝุ่นข้างตัวขึ้นมาโปรย เพื่อพยายามจะหาทางลมให้ได้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้อย่างน้อยมันก็ล่วงหน้ามาก่อนเราตั้งคืนหนึ่งดาเรนกระซิปกับเพื่อนชายเบาที่สุดเพราะสงสัยในอาการของพรานใหญ่กับแง่ทรายฉันก็คิดอย่างเธอแต่ลอยหักกิ่งไม้ใหม่เหลือเกินสดๆร้อนๆทีเดียวชา ย, ยันกระซิบตอบพรานกรเม่นมองไปทางรถบินและคนใช้ชาวดงเพื่อจะอ่านความหมายโดยอาศัยอากัปกิริยาของคนทั้งคู่เป็นเครื่องบอก แง่ายภายหลังจากอาหูฟังกับพื้นอยู่อึดใจใหญ่ก็เงยหน้าขมวดคิ้วสันน้าพ้ะพินเองก็อยู่ในอาการรังเลมไม่แน่ใจในบางสิ่งบางอย่างทันใดนั้นลมก็เริ่มพัดมาเบาๆจากต้นเนินลงไปสู่ป่าเบื้องล่างมนุษย์เป็นฝ่ายอยู่เหนือลมสำหรับสัตว์ทุกชนิดหากอยู่ในระแวกดงทึบนั้นทุกสิ่งทุกอย่างยังค ง, งเงียบสงดอยู่เช่นเดิมนอกจากเสียงใบไม้ไหวกระทบกันเบ า, เบ า, เบา แง่รา ย, ายเกิดจันและเสยผู้กำลังหยุดนิ่งระวังระวัยสดับรหัสอยู่แทบไม่ยอมหายใจต่างก็พากันถอนใจยาวออกมาลุกขึ้นยืนด้วยอาการเป็นปกติขยับจะออกเดินต่อแต่พรานใหญ่ยกมือขึ้นโบกโดยเร็วสั่งให้ทุกคนนิ่งอยู่กับที่อีกครั้งแววตาของเขาเครียดคร็มเต็มไปด้วยอาการกรุ้นคิดขนาดหนักทุกคนหันมองดูเขาอย่างสงสัยก็เห็นพรานใหญ่ปาดมือทั้งสองออกไปเป็นสัญญาณิพานของเขากับแง่าย กระจายแยกกันออกไปแล้วชี้ไปยังดงทึบเบื้องหน้าอดีตนายทหารกองโจนกะเลียงจ้องเขาด้วยความชฉบจะดฝีเท้าเข้ามาใกล้มันต้องอยู่ไม่ใกล้ๆนี่แล้วครับผู้กองลมโชยแล้วเราเป็นฝ่ายเหนือลมถ้ามันอยู่ใกล้ป่านนี้ก็ต้องได้ยินเสียงเคลื่อนไหวของมันน่าจะเป็นอย่างแงาสายพูดดาลินเสยอมาโดยเร็ว ลมพัดจากด้านราไปทางมันถ้ามันซุ่มอยู่ในระแวกนี้จริงก็มีอยู่สองในเท่านั้นหากไม่ปร่หนีซึ่งเราจะต้องได้ยินเสียงเคลื่อนไหวมันก็ปีดดิ่งเข้ามาแล้วแต่นี้ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นมันล่วงหน้าไปแล้วละ่ะเกิดเสยและจันก็พากันมองดูเขาอย่างประหลาดใจแล้วพินยกมือขึ้นรูปปลายคางมองสบตาทุกคนที่พากันจ้องมาอย่างเขาอยู่เงียบๆแล้วเปลี่ยนไปจับที่แง่ายแง่าย แกเป็นคนมียานสังหอนดีเป็นพิเศษถูกแล้วข้อวินิจฉัยของพรานทั่วไปบอกเราไว้ว่าเวลาใดก็ตามที่เราอยู่เหนือรมสัตว์จะพะหนีทันทีหรือมิฉะนั้นก็พุ่งสวนเข้าใส่ทันทีเหมือนกันแต่สำหรับกรณีนี้ฉันอยากจะให้แกใช้ยานสังหอนของแกแล้วบอกมาสิว่ามันอยู่ใกล้หรือไกลเราสักขนาดไหนแง่าสายอึ้งคิดแล้วเปิดรอยยิ้มกว้างผู้กองคิดอย่างไรหรือครับ ฉันไม่ได้คิดแต่สังหอนเตือนว่ามันกําลังจ้องมองเราอยู่ใกล้ๆนี่เองเพียงแต่ว่าเรายังไม่เห็นมันเท่านั้นผมไม่มีสังหอนอะไรในขณะ น, นี้และยานสังหอนของผมก็ไม่แน่นอนเสมอไปนักรู้ตามหลักของพรานช้างอย่างเดียวว่าถ้าเราอยู่เหนือลมมันเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ต้องตามกันเหงื่อตกเดินกันอีกหลายเหนื่อยนักผมอาจผิดก็ได้คนใช้ชาวดวงบอกฮ่าๆ พรานใหญ่แยกเขี้ยวยิ้มแล้วยักหน้าเอาละถ้า ง, งานแกนําต่อไปดาลินหัวเราะออกมานิดหนึ่งตบไหล่แง่ทรายแล้วว่าไปเดินต่อไปถึงแ ง, ง, ง, ง, ง, ง่ทรายอย่าเสียเวลาอยู่เลยพอแ ง, ง, ง, ง, ง่ทรายออกเดินหมอมรชวงสาวคนสวยก็แซงหน้าพรานใหญ่เดินติดหลังคนใช้แถวตงไปแต่ฝ่ามือหนักๆของรปินตะครุบไหล่ของหล่อนเหนี่ยวไว้พูดทุน้นๆอย่ากออกหน้าไปอยู่ข้างหลังผมตามเดิม หลอนหันขวับมาอย่างชุนเฉียวนี่ในพานคุณนับศาสารเสียไปแล้วฉันคิดว่าทางที่ดีคุณนั่งสงบสติอารมณ์รอที่ปากถ้ำนั่นก็จะดีกว่าแน่าสายจะนำพวกเราไปเองไม่ทันจะขาดเสียงเขาด่าลินทิตวาดเขาใส่เขาป่าเบื้องหน้าในระยะห่างเพียงไม่กี่ก้าวก็แตกคนืนขึ้นอย่างจู่โจมกระทันหันพร้อมกับเสียงแปลนกึกก้องแง่าสายผู้ดําหน้าทุกคนออกไปเวียงไรคลอนขึ้นมาแล้วร่างกายเขาใส่ร่างหลุกมา ที่ตะุยรี่เข้ามานั้นในระยะประจันหน้าเผาขนเสียงกระสุนระเบิดสถานดงเลือดในกายของทุกคนในขณะนี้ดูเหมือนจะจับเป็นก้อนแข็งในปากฏฎการที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันสวนเขาใส่ควันปืนอย่างดุร้ายกระหายเลือดและเร็วเหมือนสายฟ้าอดีตนายทหารกองโจนกระเลียงโจรหือพลหน้าของมันไปเพียงองค์ผู้รีเดียวล้มกลิ้งกอดเปืนอยู่ที่โคกใหญ่ดินทางใกล้ๆพลาดจากแง่ทราย ขุนขาวลูกนั้นก็ตะบึงแผ่นดินสะเทือนเข้ามายัางดาลินและละพินผู้บดี้ยังอ้าป่าโต้เถียงกันค้างอยู่เพราะอยู่ในอาการตะลึงและอยู่ในเส้นทางอันเดียวกันและในขณะนี้ใกล้เข้ามาเพียงสองสามวาก็จะถึงตัวเป็นครั้งแรกในชีวิตของจอมพรานซึ่งยอมสนั ป, ปืนให้หลุดจากมือไปโดยเจตนาชีวิตของนายจ้างสาวสาคัญกว่าอื่นใดทั้งสิ้น กอบแขนของเขาคล้องเข้าที่เอวกิ่วของดารินแล้วก็ชักสุดแรงเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดพร้อมกับถีบ ต, ตัวเองออกจากที่มุ่งเข้าหาโคนไม้ใหญ่ที่ล้มขวาำอยู่ริมทางไม่ห่างออกไปนักหลังก็เดินลงไปนอกพื้นแน่นิ่งจากกําลังเบี่ยงสุดแรงเกิดนั้นรอดจากบาทางก็จะสารที่ตะลุยย่าเข้ามาอย่างหุดหวิดส่วนตัวเขาเองก็กลิ้งคว่ำกมามงายไปสามสี่ทอดแลเห็นโลกหมุนไปหมด การเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในริปตาเท่านั้นระหว่างที่เขาคลี้งหมุนไปกับคืนกำหนดทิศทางมิถูกต์จุนั้นูทั้งสองก็รั้นเรียบปานจะดับไปรู้สึกแรงกดของอากาศวูบขึ้นใกล้ๆตัวนั่นคือเสียงคำเบนของจุด60ศนไนโตรไม่มีปัญหาจากมือของชายยันแน่ชายยันผู้เขาก็ยังกำหนดไม่ถูกว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะยือนอยู่ห่างจากเบื้องหลังเขาเออกไป4ี่ห้าเเท่านั้น เพียงแต่รู้จากเสียงระเบิดของปืนว่าอย่างน้อยที่สุดนักประจนไทยหนุ่มชาวพรุงก็มีโอกาสลั่นกระสุนออกไปได้หนึ่งนัดและเป็นนัดที่สองรองจากแง่ทรายขณะที่ช้างร้ายพุ่งสวนหัวแถวเข้ามาตะ ก, กายขึ้นยืนทันทีที่ตั้งหลักได้อีกครั้งชายยันกำลังวิ่งกระเจิดกระเจิงแต่ร่างใหญ่โตมโหรารร้องโอ๊กยาวลั่นปากวดตามหลังอดีตนายทหารปืนใหญ่ไปได้สองสาก้าก็คู่เข่าหน้าหวดลง ชายยานหันกลับมาอีกครั้งคราวนี้วิ่งเข้าไปใกล้าทางด้านซ้ายของมันจ่อปากกระบอกปืนเข้าไปที่ช่องหูเสียงลั่นตูมขึ้นอีกนัดเขาจะสารล้มร่องล้มตะแคนคลืนลงไปราวกับถูกมืออันทรงพลังผลักทางด้านเกิดเสยและจันท์ซึ่งห่างออกไปทางเบื้องหลังบาดนี้ก็กําลังสับสนโอลมามนขีดสุดทั้งสามคนช่วยกันกระ น, นำไรเฟินเข้าใส่อีกตัวหนึ่งสนันวันไหวเป็นหมดพร้อมองวิ่งแตกกระจัดกระจาย พอถูกขวดไร่เข้ามาอยู่บ้านเลือดแล้วพีนกระโจนเข้าไปคว้าปืนของเขาที่ตกอยู่แล้ววิ่งตาดออกไปสกัดหน้าในขณะที่เสกตะกิ้ตะกายเข้าไปติดอยู่ในพงเถาวันโดยมีไอ้ยักษ์ใหญ่แผดเสียงร้องเลือดซึมตัวแล่นไล่เข้ามาอย่างกระชั้นชิดแล้วพีนปล่อยนัดแรกในมือออกไปในขณะที่วิ่งเข้าสายโดยหน็ดพานท้ายไว้ในซ่าแขนก็สุมนัดนั้นแล่นเข้าตัดซอกขาหน้ามันสะท้านสั่นดิบไปทั้งตัวส่งเสียงร้องรัานต่า ายหัวจากการที่มุ่งกระยี่เซยแล่นตะลุยตรงไปยังทางด่านอันนําไปสู่ปากถ้าอย่างปัดเตโซเซเขาขวดไล่หลังไปอีกอย่างไม่ใช่ชีวิ ต, กกตเกิดจากการที่แต่จะเจอก็ไปในิพรงสองฟากก็ท ะ, ทะลังออกมาแล้วระเบิดกระสุนตามหลังไปอีกโคนนัทมันยักแย่ยักจันดูที่ทางด่านอันชันนั้นถอยหลังลื่อนถลายลงมาสองสครั้งแล้วพยายามจะปีนขึ้นไปอีกจังหวะนี้เองจันทร์ผู้อยู่ในทิศทางที่ใกล้กว่าระพิน ก็กวดไล่หลังเข้ามาถึงจี้ปากกระบอกจุด็หแมกนัมหมายไปที่ก้านคออันเป็นเป้าถนัดถนีแล้วรันเปรียงไอยักษ์ก็พรันหมดฤทธิ์หมอบคาอยู่ที่ปากทางด่านนั่นเองท่ามกลางหัวใจอันเต้นไม่เป็นซ้ำของทุกคนปากสงบเงียบลงตามเดิมซากของช้างสารสองตัวที่กองพเนินอยู่เป็นสีดอขนาดใหญ่เต็มที่ทั้งคู่ไม่มีเงาหรือวี่แววของไอแหวง จากโรงของมันให้ค้นพบเป็นเพียงสองตัวโดดโดดท่านั้นที่พรวดพลาดออกมาโจมตีฝ่ายมนุษย์น้อยอยู่ไหนชายันร้องขึ้นเป็นประโยคแรกในทันทีที่ควันปืนจางและช้างทั้งสองตัวคว่าไปหมดรพีนยึงเพิ่งนึกขึ้นมาได้เขาเพ่นตรงไปที่ร่างอันนอนหมดสติอยู่ใต้ซากต้นไม้ใหญ่ของหลอนทั้งหมดก็พูตามเข้ามาชายันปราดก็ามาประคองเพื่อนสาวอย่างตกใจรปีนยืนอึง้งทาอะไรไม่ถูก ปลหน้าที่ผดผงพยาบาลให้กับชัยยันครูใหญ่หลังจากนั้นนักมนุษย์วิทยาสาวก็ได้สติรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งด้วยอาการมึนงงหล่อนนั่งสะบัดหน้าอยู่เป็นครูใหญ่เหมือนจะเรียกความทรงจําแล้วลืมตาสว่างโพลมองดูหน้าทุกคนที่แวดล้อมอยู่น้อยเป็นยังไงบ้างดาดิานยกมือขึ้นกุมต้นคออาการยังง ง, งงงอยู่เช่นเดิมจับต้นจนปลายไม่ถูกเกิดอะไรขึ้นนี่ ฉันหมดสติไปเหลอแล้วหลอนหันไปรอบๆตัวขมวดคิ้วช้างละ่ะมันโผล่พูดพลาดออกมาไล่พวกเราไม่ใช่หรือตายเลี่ยบหมดแล้วทั้งสองตัวพวกเราปลอดภัยทุกคนเธอหมดสติไปสงสัยจะนกพื้นตอนที่เราพินกระชากหลบขณะที่มันวิ่งเข้าใส่ชายันบอกโดยเร็วมองดูเพื่อนสาวอย่างเป็นห่วงหญิงสาวคงนั่งนิ่งกลุ่มต้นคออยู่เช่นนั้น รพินสุดตัวรงตรงหน้ามองดูรอนยางสงสารและรู้สึกเสียใจพูดแผ่วตากรุณาภัยผมเถิดครับคุณหญิงคงจะเจ็บมากผมกำลังตกใจในตอนนั้นเหวี่ยงคุณหญิงสุดแรงเกิดทีเดียวเพราะโจนตัวเหลือเกินดาลินฝืนหัวเราะออกมากล่อยๆแต่แววตามไม่สอด ว, ว่าจะโกรธเคืองอะไรสุดแรงโมโห ด, ด้วยใช่ไหมที่ฉันอวดดีไม่เชื่อคุณ คุณคงผิดหวังสิที่ฉันไม่ขอหักตายไปสีรู้แล้วรู้รอดอีตอนที่คุณเหวียงมานั่นน่ะอยากจะฆ่าฉันใช่ไหมโทษคุณหญิงครับพรานใหญ่ร้องออกมาเบาๆชา ย, ยันก็สอดมาโดยเร็วว่าแล้วกันน้อยระพินช่วยชีวิตเธอไว้แท้ๆกลับไปกล่าวหาเขาสิอีกเธอนกพื้นสลบไปชั่วครู่ยังดีกว่าจะร่างกายแหลกเหลวไปด้วยบาทาช้างถ้าเขาไม่กระชากเธอแรงขนาดนั้นก็คงหลบมันไม่ทันแน่ เป็นอันว่าฉันผิดอีกเช่นเคยที่พยายามจะคาดง้างไม่เชื่อฟังคุณและผลแห่งการอวดดีนั้นฉันก็ได้รับโทษเจ็บตัวไปแล้วคุณคงเลิกโกรธฉันนะนพรานแล้วผินถอนใจออกมาโล่องอกจ้องศบตาในจ้างหัวร้านของเขานิ่งด้ารินยิ้มให้กล่าวย้ำต่อมาเมื่อเห็นเขายังเชืออยู่ครั้งนี้น้ำเสียงอ่อนลงเจือไปด้วยกระแสวิงวอนยังโกรธฉันอยู่อีกหรือพรานใหญ่ใส่หน้าช้าหาไม่ได้ ผมตาหากที่ควรจะถามคุณหญิงเช่นนี้ผมเสียใจเหลือเกินที่ทําให้คุณหญิงต้องบาดเจ็บโดยไม่ได้เจตนาและดีใจที่คุณหญิงไม่ถือโทษ ด, ดาลินหัวเราะเสียงใสกระโดดรุกขึ้นยืนอย่างว่องไวเสียดายเหลือเกินที่ฉันนอกพื้นหลับไปเสียก่อนเลยไม่ได้ร่วมเหตุการณ์ตื่นเต้นเมื่อกีนนี้ด้วยมันไปยังไงไมายังไงหลังจากชั้นหลับไปแล้วชายยันเล่าให้ดอนฟังคร่าวๆถึงนาทีฉุกเฉินที่สุดซึ่งทุกคนเผชิญร่วมกัน มันสองตัวก็จริงแต่พวกเราหวิดตายกันทุกคนนั่นแหละดีแล้วที่เธอสลบไปเสียได้ชั่วขณะไม่ได้อยู่เห็นเหตุการณ์ตอนนั้นเพื่อนชายบอกในตอนท้ายของการเล่าจากการสำ ร, สรวจซากพบว่ากระสุนนัดแรกของแงสายที่ยิงสวนหน้าออกไปทันทีที่มันโผล่พวดออกมาทะลุบริเวณส่วนบนของศีรษะอันเป็นส่วนโปรงอากาศนั่นจึงเป็นคาตอบได้ชัดว่าเหตุใดมันจึงยังสามารถวิ่งสวนเข้ามาได้จนเกือบถึงตัวระพิน และดารินส่วนลูกปืนของชายยานที่ร่างเป็นนัดที่สองต่อจากแง่ทายนั้นเสยทะรุเข้าไปกลางหน้าอกและนัดที่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งระเบิดผ่านหูทะรุขม่องเลยออกอีกด้านหนึ่งมันจึงคว่ำลงในทันทีสำหรับ ต, ตัวหลังซึ่งหมอบคาอยู่ที่ชายเนินนั้นถูกกระสุนของใครต่อใครที่ประดังกระหน่ำเข้าใส่แทบจะปลุกไปทั้งตัวนัดที่หยุดมันลงอย่างเฉียบขาดเป็นนัดสุดท้ายที่จันกรอกเข้าไปยังกระดูกคอต่อ ยกเว้นจากดาลินผู้หมดสติไปก่อนแล้วอีกหกคนตกอยู่ในฐานะวิ่งกันป่าแต่ก่อนที่จะพิชิตมันทั้งสองตัวลงได้แต่ละคนถูกนามและกิ่งไม้เกี่ยวได้แผลกันไปทั้งนั้นร่องรอยของมันที่ค้นพบภายหลังจากนั้นบอกได้ชัดว่าเจ้าสีดอทั้งสองตัวซุ่มเงียบคอยดักรอฝ่ายมนุษย์อยู่ก่อนแล้วด้วยเจตนาที่จะพุ่งเข้ามาขยี้และมันจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากเจ้าทหารเอกคู่ใจสองตัว ที่ช่วยการประคับประคองไอ้แหวงจากโขงของมันหนีมานับตั้งแต่ไอ้แหวงถูกดาดินยิงเมื่อบ่ายวานปิิศนาอันชวนมหัสจัญใจที่สุดสำหรับทุกคนก็คือไอ้แหวงอันตทานไปไหนจึงเหลือแต่เพียงบริวารคู่ใจของมันสองตัวดักรอรับหน้าอยู่เช่นนี้ระหว่างที่พรานใหญ่ยืนอึ้งอยู่นั้นแง่สายก็เดินคอตกเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเขามองดูเหมือนจะถาม คนใช้ชาวด่งก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงกังวานห้าวหาญอันเป็นคุณลักษณะประจำว่าผู้กองถูกแต่ผมผิดจอมพรานขมวดคิ้วในข้อไหนกันผมอ่านว่ามันอยู่ใต้ลมเรามันจะต้องหนีไปไกลแล้วแต่ผู้กองอ่านว่ามันจะต้องซุ่มดักเราอยู่และมันก็เป็นจริงอย่างผู้กองว่าเราเกือบตายกันทุกคนขณะที่มันโผล่ออกมา ผมยังยิงพลาดเสียอีกทําให้มันแล่นสวนเข้ามาได้คราวนี้ผมผิดถึงสองข้ออ่านใจมันผิดแล้วก็ยังยิงนัดแรกผิดผ่านใหญ่ยิ้มกล้กานไม่มีใครถูกเสมอไปหรอกแง่ทรา ย, ายถึงฉันเองก็ผิดมาเสียนักต่อ น, นักสําคัญแต่เพียงว่าถ้าแกผิดฉันถูกและเมื่อฉันผิดแกก็จงถูกเราอย่ามาผิดในเวลาเดียวกันก็แล้วกันลืมมันเสถะมาช่วยกันคิดดีกว่าว่าไอ้แหว่งไปไหน ตอนที่มันหลบเข้าปากท่าทางด้านโน้นพวกกองแน่ใจหรือไม่ว่ามันพากันเข้ามาสามตัวไอ้แหว่งถูกสองตัวช่วยขนาบข้างมาอ๋อไม่มีปัญหารอยเลือดของมันก็บอกชัดแล้วที่ปนักตะไคร่กลางท่าก่อนจะถึงเหวรอยเลือดก็หายไปเสียหายไปอย่างค้นไม่พบอีกแล้วเราก็ตามรอยทะลุออกทางปากท่าด้านนี้พบเพียงสองตัวดักรอเราอยู่ แง่ทายเอ่ยมาเช่มช้าตาจับมองมายังเขานิ่งรพินเ บ, เบิกตาโพล่ขึ้นในบัตรนั้นเหมือนจะเฉลียวคิดอะไรขึ้นมาได้ในคําพูดของแง่ทายและแล้วก็หวนนึกได้ในทันทีนั่นเองว่าขณะที่รอยเลือดของไอ้แหว่งหายไปแง่ทายพยายมามจะวนเวียนค้นหาอยู่ด้วยความสงสัยแต่เขาเองเป็นคนออกคําสั่งให้เลิกสนใ จ, จกับเรื่องรอยเลือดที่สูญหายไปและบังคับให้นําออกมาจากปากถ้าทางด้านหุบหมาหอนิเสีย เขาน่าจะพลาดเสียแล้วในตอนนั้นพลาดเพราะมองข้ามในเรื่องรอยเลือดที่หายไปนั่นเองแง่ท า, ายแกหมายความถึงว่าพรานใหญ่ชะงักคำพูดค้างไวเพียงแค่นั้นจ้องหน้าแย่ท า, ายเขมิงมันเข้าทางปากถ้ำด้านโน้นสามตัวแต่โผล่ออกทางปากถ้ำด้านนี้ถึงสองตัวอีกตัวหนึ่งคือไอแหวงหายไปไหนไม่มีทางออกด้านอื่นอีกแล้วนอกจากด้านนี้ด้านเดียว กะเหลียงร่างยักษ์พูดมาอย่างเป็นปริศนาและระหว่างที่พรานใหญ่ยืนหลี่ตาคิดอยู่แย่สายก็ชี้ไปยัง้างช้างอีกตัวหนึ่งที่ถูกจันทร์ยิงคว่ำคาตีเนินอันจะนำขึ้นไปสู่ปากถ้ำบอกต่อมาว่าผู้กองนึกออกไหมไอ้ตัวนั้นถ้าไม่ถูกยิงล้มเสียก่อนมันกำลังบ่ายหน้าไปไหนทำไมมันไม่ตะเลิดหนีไปทางอื่นทำไมจึงพยายามจะตะเกียกตะกายย้อนกลับไปยังปากถ้ำนั่นอีกและทำไมมันทั้งสองตัว ล่วงหน้าผ่านปากถ้ำมา่ก่อนราคืนหนึ่งจึงยังหากินใกล้เคียงอยู่กับบริเวณนี้ได้กลิ่นเราแล้วก็ยังไม่คิดหนีเราผิดไม่เอ่ยคำใดในขณะนั้นทั้งสิ้นเดินเข้าไปพิจารณาดูซ่าของช้างตัวที่หมอบตายอยู่คานเนินอีกครั้งแล้วเงยขึ้นมองไปยังปากถ้ำริมฝีปากของเขาเม้มเป็นเส้นตรงชี้นิ้วเสยปีกหมวกขึ้นแกกับช้นงเห็นจะผิดกันคนละครั้งเสียแล้วฉันผิดก่อนแก ที่อ่านว่าไอ้แหวงจะต้องมุ่งออกมาทางปากถ้ำด้านนี้ส่วนแกผิดที่อ่านว่ามันได้กลิ่นเรามันจะต้องบ่ายหน้าหนีห่างไกลออกไปแล้วเขาก็ถอนใจยาวโครงศีรษะช้าช้ามองไปทางนายจ้างทั้งสองซึ่งยืนล้อมอยู่ในขณะนี้อย่างไม่เข้าใจในความหมายว่าเขากับแงา่ายหาหรืออะไรกันอยู่บอกเสียงแห้งว่าไอ้แหวงหลบฉากซุ่มอยู่ในถ้ำเสียแล้วละครับเสียงชายยานอุทานอะไรออกมาคำหนึ่ง เบิกตากว้างคุณแน่ใจหรือคำตอบมารู้เอาแน่ชัดอีตอนที่เราเผเชิญหน้ากับไอ้สองตัวนี้แหละครับหลักฐานสิ่งแวดล้อมพอจะทำให้สันนิษฐานได้อย่างนี้แล้วเขาก็อธิบายทั้งสองทราบถึงก็เหตุผลที่เขากับแง่าสายถกเถียงหาหรือกันแปลว่าช้างบริวารของมันสองตัวเท่านั้นที่ออกมาทางปากถ้ำด้านนี้โดยตัวไอ้แหวงเองยังซุ่มหลบอยู่ในถ้า ชายยันร้องถามย้ำอีกครั้งผมยอมรับว่าผมตามความคิดของมันไม่ทันในขณะนั้นเพิ่งจะมารู้เอาแน่เอาเดือนนี้เองฉันก็สงสัยแต่แรกแล้วตอนที่รอยเลือดของมันขาดหายไปดาดินว่ามองหน้าพรานใหญ่กับแง่สายสลับกันตอนนั้นดูเหมือนแง่สายก็มีท่าว่าจะอยากจะค้นให้ทั่วแต่คุณแรงให้เขานาออกมาทางปากถ้าด้านนี้ ผมยอมรับ ว, ว่าผมพลาดในข้อนั้นแล้วพินสารภาพแล้วสมบตพึมพามสาบแช่งตนเองหยิบชายผ้าของมาที่เกียนเอวไว้ขึ้นมาซับเหงือ่อระหว่างที่ชายยันหันไปสอบถามแง่าสายดาดินก็กล่าวต่อมาว่าเห็นจะไม่มีปัญหาหรอกเราหลงกลถูกมันหลอกเอาอีกแล้วยิ่งคิดก็ยิ่งมองเห็นชัดขึ้นทุกทีหลังจากที่รอยเลือดขาดหายไปพวกเราเดินต่ายกันมาตามปากขอบเพลวันแคบจำกัดและทางเดินก็ลาบากมาก ไอ้แหว่งไม่มีทางที่จะเดินผ่านได้เลยเพราะมันเจ็บมากถ้าพยายามเดินมาก็มีหวังพลัดตกเหวตายเราก็สันนิษฐานกันไว้แล้วว่าจากล่องลอยหลักฐานการที่ไอ้แหว่งเคลื่อนไหวรุดหน้าไปได้เพราะมีช้างใหญ่สองตัวคอยขนาบแซงพยุงช่วยแต่ทางที่ผ่านป่าเหวนั้นช้างเดินผ่านได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นมันจะช่วยประคองกันไม่ได้เด็ดขาดนอกจากจะเดินเรียงเดี่ยวกันไปและไอแ้แหวงจะผ่านไปได้ยังไง